ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติมาถึงช่วงจิตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตคือจิตก็คงเป็นไปตามปกติธรรมดาของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้าง ก, กลางๆบ้าง ก็ทํานองใกล้ๆก็ดูลมหายใจเข้าออกอลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นอย่างนั้นแนหะแต่เราก็ตั้งสติเราเลือกรู้อยู่ที่ลมจิตใจของบุคคลที่ทรงสอนให้ดูในที่นี้ก็เน้นเฉพาะในช่วงที่จิตถูกปรุงด้วยสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลในชั้นแรกก็เป็นการดูไปก่อดคือใช้สตินําเหมือนเดิมแต่ว่ามันสะสมเหตุผลสติปัญญาข้อมูล ในด้านต่างๆที่จะเรียนรู้จะเข้าใจจากจิตว่าจิตนั้นโดยธรรมชาติแล้วหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยากรักษายากจะสายไปในรมที่จิตใคร่จิตปรารถนาจิตพอใจจะดำรงอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้นานและจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ใช่ยุติ อย่างนั้นเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเป็นคนดีนกุศลธรรมก็คุ้มครองจิตอยู่ได้ น, นานแต่เป็นคนไม่ดีอกุศลธรรมก็ครอบงำจิตอยู่ได้นานก็ทรงแสดงไว้ความว่าลุกรกรวิสุทธิ์ทั้งหลายก็อย่างไรพิสุ์ย่อมไปจรณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเนืองๆอยู่ รือก่อนอื่นก่อนอื่นควรทำความรู้จักกับจิตเสียสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในขันทังห้างนั้นถ้าเราแยกเราจะเห็นว่าเป็นรูปกับนมหคือส่วนรูปก็คือองค์ประกอบพคร่องดีน้ำลงไฟอากาศและส่วนนามก็คือพวกวิญญาณแล้วก็สิ่งที่มาประกอบกับวิญญาณก็กลายเป็นเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตัววิญ ญ, ญาณนั้นก็คือตัวจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสแล้วก็ทําหน้าที่ถือปฏิสนธิทําหน้าที่เป็นรูปทําหน้าที่เป็นที่ตั้งของจิตท่านก็เรียกชื่แตกต่างกันออกไปในกรณีของการทําหน้าที่ไปเกิดในกําเนิดต่างๆท่านก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณ ในกรณีที่รับรู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสท่านเรียกวิถีวิญญาณหรือว่าวิญญาณนักขในกรณีที่เป็นธาตรู้ท่านก็เรียกว่าวิญญาณนักธาตุในกรณีที่เป็นที่ตั้งของวิญญาณจะเรียกว่าวิญญาณนักจิตคือหมายความว่าก็คือที่ที่จิตไปถือปฏิสนธินั่นเองแต่ว่าตอนไปเกิดเนี่ยท่านเรียกวจุดจิต กือตอนตายเนี่ยท่านเรียกว่าจุติจิตตอนเกิดเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิสนธิก็แล้วถือแล้วแต่จะถือกำเนิดในกำเนิดอะไรในสี่กำเนิดคือจะเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกหรือเกิดโดยผุดขึ้นก็าตาม ท, ทีนี้ในความเป็นขันสี่ซึ่งเป็นนามเนี่ยเราเห็นว่าเ ว, เวทนานั้นมันเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิต และในขณะเดียวกันมันกเ็เป็นเป็นเนครืยอจิตตสังขารก็สิ่งที่ปนปลื้ u ิต ร, รอเลี้ยงผิดรักษาจิตเอาไว้ที่ลองเห็นลองลองดูจะเราพบคนบางคนเนี่ยรู้สึกเป็นสุขเนี่ยก็แสดงว่าสุขนั้นเราเคยสัมผัสจากคนนั้นมาก่อนเพาะเรือเราได้สัมผัสไอ้ตัวสัญญาขันก็ตัวความจำเนี่ยที่มีอยู่เนี่ย คือจำความดีของคนเหล่านั้นที่ทำให้เราได้รับความสุขมันก็เกิดขึ้นทำงานของมันก็พร้อมกับเวทนาเวทนาก็ทำหน้าที่สวยอารมณ์ก็ดึงอารมณ์ในอดีตออกมาจากความจำก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาทีนี้ไอ้ตัวสังขารเนี่ยตัวนี้คือตัวธรรมะก็รวมถึงเวทนากัะสัญญาด้วยนะนะ แต่ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นพวกกุศลธรรมอกุศลธรรมและปัตรมะที่เป็นกลางกลาที่ทันสวดว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะปะยากตาธรรมะเนี่ยทีนี้ในกระบวนการของจิตนี่แหละเราจะเห็นว่าตัวสังขารเนี่ยคือตัวใหญ่ตัวที่จะปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจิตไปให้เป็นไปตามอำนาจของเขาเพราะฉะนั้นถ้า เราพูดกันจริงๆก็คือดูสังขารเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นนั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้ช่วงแรกก็ดูเพื่อให้จิตสงบอยู่กับเรื่องดอกนั้นคือใช้สตินำแล้วก็กอตัวขึ้นเป็นปัญญาปริมาณสูงขึ้นแล้วต่อไปก็จะพิจารณาตำโครงสร้างแบบเดิมๆที่ว่าน่ะ เพียงเปลี่ยนจากกายเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นจิตตอนนเป็นโครงสร้างมันเหมือนกันในช่วงหลังนะฮะโครงสร้างนี่จะเหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยโครงสร้างจะต่างกันก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมีใ น, นนี้อันหนึ่งจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะคำว่าราคะเนี่ยก็คือโลภะนั่นเอง แต่ว่าเวลาสอนพระก็จะสอนใช้กรมาราคะเพราะว่าจิตของพระนี่มันถูกพรากจากกามคุณมาค่อนข้างแรงเพราะโอกาสที่จิตจะเหนี่ยวไปหากามคุณเนี่ยเป็นเนียวนึกสึกนึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงปวดตพระที่น่าใคราน่าปรารถนาน้าพอใจเนี่ยก็ ม, มีได้ง่ายการปฏิบัติจึงพยายามที่จะบรรเทาราคะซึ่งเกิดขึ้นกรุ่มหลมใจก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเอง แต่ว่าเน้นไปในเรื่องทางเพศคือความรู้สึกความต้องการในทางเพศดังนั้นถ้าหากว่ามันมีราคาเกิดขึ้นไปในจิตในช่วงแรกเนี่ยให้รู้ว่าเฉยๆก็ดูจิตที่มีราคาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ไม่นานเนะี่ยมันจะลดลงมันจะเพิ่มขึ้นมันจะหายไปมันจะไม่นิ่งอยู่กับที่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบเดียรกับสังขารทั้งหลายเนี่ย เราก็รู้ชัดว่า น, น, นายขนะดนี้จิตมีราคะอาจจะกําหนดดูว่าเวลาจะเท่าไหร่มันอยู่นานแล้วเท่าไหร่ทีนี้ถ้าจิตไม่มีราคะากาเรียกว่าวีราคะวีตะราคะคือปราศจากราคาคือไม่มีราคะไอ้การไม่มีราคาเนี่ยหมายความว่าตรงกันข้ามกับราคานะครับ คือการไม่มีราคะอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นอกุศลอย่างอื่นก็ได้คือการเรียงนี่ก็เรียงว่าเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเกิดมันไม่เกิดอย่างนั้นแล้วนะสมมติว่าจิตไม่มีราคะอาจจะมีโทสะอาจจะไม่โมหะอาจจะมีริษยาจะมีอะไรก็ว่ากันไปก็มีเป็นกระแสกิเลสเปลี่ยนจากกิเลสเป็นกิเลสเปลี่ยนจากกิเลสเป็นกิเลสเปลี่ยนจากกิเลสเป็นกิเลสก็ได้แต่บางทีมันก็เปลี่ยนจากธรรมะเป็นธรรมะเป็นญธรรมะจากธรรมะแต่ว่าเพียงแต่ว่าดูตามที่มันปรากฏ คือไม่ได้ปรากฏอย่างที่ส่งแสดงไว้เป็นคู่คู่อย่างนี้ตะเบอ้อไปหรอกคือบางทีมันอาจจะ เ, เป็นราคาเป็นโทสะเป็นฤิษยาเป็นแข็งดีเป็นมานะอะไรแต่อะไรก็ว่าไปในสายของกิเลสอย่างที่คนทะเลาะวิวาทกันนะฮะถ้าเราดูระดับจิตของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันอยู่ในกระแสกิเลสทั้งนั้น เป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโกธะเป็นริษยาเป็นแข่งดีเป็นอาคารมาไ ร, ร้หลายทระกวากันไปเรื่อยๆวันจิตปรากฏมีอาการอย่างไรก็ให้ดูอย่างนั้นแต่ว่าในการแสดงการสอนเนี่ยมันก็ต้องพูดอย่างนี้แหละมันพูดเป็นลายลักษณ์การสอนออกมาอย่างนี้จิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาไม่มีราคาก็จะมีความสงบมีความเย็นนะะ คือหมายความว่าต้องเป็นกุศลจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะโทสะคือความคิดประทุษร้ายไม่ใช่ประทุษร้ายลงไปแล้วนะฮะคือหมายความเป็นเรื่องของความคิดประทุษร้ายเรารู้เฉพาะระดับจิตต่นนั้นเองไม่ได้ดูระดับทางกายทางวาชาเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องศีลแต่นี้มันพุ่งเป็นพูดระดับสมาธิมันอยู่กระบวนการเดียวกันนั่นแหละ เป็นจิตมีมีโทสะเป็นเหตุเช่นว่าโกรธแล้วก็ตีหัวคนหรือยิงคนตายมันก็คือจิตมีโทสะแต่ตรงนั้นมันเป็นการผิดศีลเป็นเป็นการผิดกฎหมายมันคนระดับกันตอนนี้เป็นระดับของความคิดคือมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะทีนี้ลักษณะจิตที่มีราคะเนี่ยจิตมันจะเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นศินบุคคลอื่นมันถูกทวงยกยึกยึยึกอยู่ยยตลอดระยะเวลาเลย ใจมันจะสายไปเพื่อแสวงหาอารมณ์เหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนถ้าไม่ได้อารมณ์เหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนก็กรสันอยากไปตามกระแสของเขานะครกระแสกิเลสประเภทราคะประเภทตัณหาประเภทโลภะเนี่ยที่จริงอันเดียวกันนั่นนะคือมันจะสายไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ามันก็อให้เกิดความมีความเป็นร่ําไป แล้วก็จะรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมยินดีกับอารมณ์เหล่านั้นและจิตใจก็จะเพิ่มเพลิ น, พนยิ่งขึ้นไปมันก็เหมือนกับเราตกเป็นหนี้เขาจะต้องชดใช้อยู่ร่าไปแต่ยังไม่หมดหนี้มันก็ไม่ชดชายไปได้ก็ต้องชดใช้กิเลสประเภทโทสะนั้นมันเหมือนกับเราถูกโรคภัยค่าเจ็บเสียดแทง ประสบความทุกข์ทรมานมากหรือน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าเราก็ปวดคนเดียวแหละคนอื่นจะปวดแทนให้ไม่ได้แม้แต่ญาติพี่น้องรอบล้อมอยู่เต็มหมอแพทย์พยาบาลอยู่เต็มเราก็ปวดเราคนเดียววัฒนธรรมท่องโทรสะเนี่ยลองสังเกตว่ามันเป็นความคิดนะฮะระดับความคิดแล้วเดือดร้อนคนเดียวเพราะว่าคนที่เราโทรสระนั้นเขาไม่รู้ว่าเราโทรสระเขาก็าอาจจะนอนหลับปุ๋ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่เรา ก, ก็อาฆาตมากร้ายคิดจะแก้แค้นบางชีก็กลายเป็นอาฆาตอาฆาตใจมันก็สายสายไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็แล้วแต่ประพวกนี้มันก็ดิ้นนะฮะลักษณะของโรคที่มันเสียแทงเนะี่ยมันก็ดิ้นทําให้คว้าไปจะสู่อดีตว่าคนนี่คนค น, คนนี้เคยทําอันตรายต่อเราคนคนนี้เคยทําอันตรายต่ อ, อยาติพน้องของเราคนคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตรูเรา ก็เกิดอาฆาตพยาบารหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะไปคิดว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตรูเราก็เอาแหละอาฆาตเปรียบาร์ก็จะไปคิดว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสัตรูเราก็อาฆาตเปรีบาร์ เพราะเราจะเห็นว่าบางชีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันในขณะมันก็วิ่งไปไหนราคามันก็เหมือนกันนะั่นแหละวิ่งไปถึงอารมณ์ในอดีตวิ่งไปถึงอารมณ์ในปัจจุบันวิ่งไปที่อารมณ์ในอนาคตก็ได้และถลูกไปในขณะนั้นจิตมีราคาโทสะในการจะวิ่งไปสู่อดีตอนาคตเหมือนกันก็ขณะนั้นก็จิตมีโทสะและเราจะเห็นสภาพจิตที่สแสดงสแสดงอาการออกมาต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงแปร ป, ปรวนไม่คงที่ มีลักษณะสายไปแล่นไปไม่ยอมส ง, งบดิ้นพล่านอยู่ในอารมณ์ต่างๆสยบติดเพลิดเพลินหลงไหลหลับไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสม่ได้เห็นอะไรมันเยอะเลยก็ให้รู้ตามความเป็นจริงจิตไม่มีโทสะไม่มีโทสะเช่นวจิตมีเมตตาอย่างเงี้ยนะหมายความามาดองกันข้าวมาโทสะแต่อย่างที่บอกนะเขาไม่ได้เคยตามลำดับอย่า ง, า ง, างนี้หรอกมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนนะ แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงจิตมันหนักไปทางไหนมากมันก็หมกมุ่นในเรื่องเหล่านั้นมากบางเรื่องมันไม่มีเลยก็มีนะะคือคือที่ส่งแสดงให้ดูเนี่ยหมายความว่าถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่ต้องรู้มันเนี่ยมันก็แค่ๆกัะลมหายใจเข้าออกอ่ะคือหมายความเราดูเฉพาะลมหายใจเข้าออกจะยาวหรือสั้นก็ตามก็ดูมันตามยาวตามสั้นนั่นแหละทำไมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ดูเท่านั้นเแต่มันเกิดเปลี่ยนแปลงนะเช่นสมมติว่า ่ลมหายใจมันสงบลงนะก็แสดงว่ากายสังขารนี่สงบมันก็ดูที่ความสงบของมันนั่นแหละก็ดูอยู่ตรงนั้นในในชั้นนี้เป็นการตั้งสติและลึกรู้อยู่เรื่อยๆจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตที่มีโมหะเนี่ยมันเป็นลักษณะความมืดบอดในด้านเหตุผลตามปกติที่แสดงอาการต่อจิต อยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างสม่ําเสมอนั่นก็คืออาการของจิตที่มันฟุ้งเล่นไปในอารมณ์ต่างๆฟุ้งสั้นเล่นไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็จิตที่มันเครือบแคลงสงสัยไม่น่ไม่แน่ใจในสิ่งทั้งหลายเนี่ยไอ้ส่วนขนาดมงมงายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเกิดยากน่อยนะขนาดเรานั่งสมาธินี่มันเกิดยากหน่อยก็ส่วนใหญ่มันก็ฟุง้งฟุ้งก็สงสัยก็สายไป แต่ถ้ารูว่าจิตที่ไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลมากพอในการคิดในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องราวต่างมันปรากฏก็รู้มันตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่มีโมหะก็คืออมโมหะก็คือปัญญานะที่จริงถ้าอมโมหะก็คือปัญญาถ้ามันเป็นอโมหะคือไม่มีโมหะก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตไม่มีโมหะทีนี้จิตถดถู จินโอููเป็นลักษณะของฉีนามิทัศนะโอทูก็คือฉีนาเป็นลักษณะเรื่อีนะจิตตังคือจิตมันมันไม่องอาจไม่กล้าหานไม่ฮึกเหือไม่เชื่อมั่นมีลักษณะฟอร์ไม่พร้อมที่จะประพฤติไม่พร้อมจะกระทําไม่พร้อมอ่านไม่พร้อมเขียนไม่พร้อมเรียนไม่พร้อมที่จะระลึกเนี่ย ก็รู้มันว่าจิตเราตกอยู่ในเปะแต่หนักแนอหน้าของกิเลสประเภทเหล่านี้ทีนี้ถ้าจิตไม่หดถูนะฮะจิตไม่หดถูก็จิตโตถูก็รู้ว่าจิตหดถูหรือจิตฟุ้งสั้นก็รู้ว่าจิตฟุ้งสั้นตอนนี้ก็ อ, อุทัจจะจิตหดถูเนี่ยมันจิตเป็นถีนมิทะหดถูเครื่องเคริ้มจืดชืดชาเจ็นเหนื่อยหน่ายทอดถอยเซ็งหมดอะไรตาอยากในชีวิต ไม่มีกระจิตกระใจที่จะประพฤติกระทำอะไรนะก็ดูเซ็งๆแล้วก็ดูมันตอนตอนแรกนี่ก็ดูมันไปอย่างนั้นแหะก็ดูธาี่มันเกิดแล้วทีนี้ถ้าจิตจิตจิตอย่างนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่ตกเป็นเป็นทาสของคนอื่นจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่มีสระนะไม่มีสระก็แล้วแต่อาการหดหูดหทีน้ามิถาเนี่ยมันจะปับ ดันไปเสือกใสไปเลื่อนไหลไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านคําว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยก็เรียกว่าวิกขิตังจิตตังนะฮะจิตมันฟุ้งซ่านจิตตะวิกเขปะคือความฟุ้งซ่านทัดสายของจิตจิตมันเล่นเล่นไปโน้นไปนี้เหมือนกับลิงที่วิ่งไปในป่าเนี่ยมันไม่นิ่งเดี๋ยวก็ลูกหลิกเป็นลิงซนเป็นลิงอะไรตระหนี่ยเรารู้ชัดว่าจิตเราขณะนี้ฟุ้งซ่านดีนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ย เปรียบแล้วเหมือนกับคนที่ตกเป็นนักโทษติดคุกอยู่ในคุกเนี่ยแกก็คิดบันเจิดเพื่อปริง้ง น, นะนะฮะออกไปนอกคุกตลอดระ้เวลาแต่ก็จริงแกก็คงติดคุกอยู่นั่นเองจิตเป็นมหาคตะคือถึงความเป็นใหญ่ก็หมายถึงจิตที่เป็นฌานหรือเป็นอัปปมัญญาพรหมหาร คือจิตที่เป็นฌานเนี่ยหมายความมาจริงๆก็ตั้งแต่สมาธินั่นแหละสมาธิปัญหาสมาธิเนี่ยแล้วก็จิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่เนื้ออะไรเนื้อกิเลสคือกิเลสมันครอบรงาจิตไม่ได้ในขนาดนั้นเนเพราะว่าถูกสยบไว้ด้วยวิขัมภ ป, ะ, ปะหานคือละไว้ด้วยการกดทับเอาไวค้คล้ายๆกับเอาเสือมาปูที่สนามหญ้าก็ทําให้เราไม่เห็นไม่เห็นหญ้าเพราะว่ามันอยู่ใต้เสือ กิเลสก็เมือนกันมันไม่ใช่หมดหรอกแต่มันถูกสยบไว้ด้วยกำลังของฌานต่าไปที่ฌานยังมีอยู่เนี่ยกิเลสก็สงบกลับนั้นเพราะนาการของนิบอล น, นาตาพวกกิเลสต่างๆที่กก่าวไว้ก็จะไม่ปรากฏหรือบางครั้งเนวอัปปมัญญาเนี่ยอัปปมัญญาก็คือการเจริญพรหมฐารสี่ประการนั่นเอง จุดเมตตาเนี่ยมีสัตว์ทั้งหลายเป็นประมาณไม่เลือกชาติชั้นบรรณนะฮะแผ่เมตตาจะมีสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณทีนี้ไม่มีประมาณเนี่ยมันจิตมันต้องเข้มแข็ง ม, มากจึงจะทําได้เนี่ยเพราะแผ่ไปทุกทิศทุกทางนะฮะยันสมมติเราจะแผ่เมตตาไปทางที่ตะวันออกและด้านที่ตะวันออกมีศัตรูเราทั้งหลายคนน่ะกระจายวัสดุแผ่แผ่ไม่ได้ เพรามัต้องฝึกจิตแต่มันกล้ากันมาจึงเริ่มจากพรหมหารไปก่อนแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาประมัญญาแปลว่าจิตที่ไม่มีประมาณตามปกติก็จะสอนพระให้แผ่นะให้แผ่เมตตาในสัตว์ที่ไม่มีประมาณเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์พี่เราสวดสรรเสริญว่าสัเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะ จงไปพูกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในะแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเราก็ตั้งจิตแผลไปอย่างนั้นเพราะการุณาเนี่ยมีสัตว์ที่ประสบทุกเป็นอารมณ์ทุกภัยโรคทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ามันต้องเชื่อมโยงกันจากเมตานะฮะถ้าเราไม่เมตตาเขาเราการุณาเขาไม่ได้เราจิตมันแขวนจิตมันแกว่งไปที่วิหิงสาไปเลยอัเล็กยากนะฮะจิตมันเล่นกับมันยาก แล้ว่าไม่มีคุณธรรมมากพอแล้วเนี่ยการจะคุมรักษาจิตได้อยู่อย่างที่ทรงแสดงนี่มันยากมากทีนี้มุทิตาเนี่ยก็แผ่ไปแบบไม่มีประมาณเนี่ยมีสัตว์ที่ประสบความเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยเป็นตัวกระตูที้เกิดขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีเมตตาต่อเขามาก่อนเนี่ยเราก็ทํายากเพราะว่าอะไรเพราะมาริษยาจะนําหน้าไปเสียก่อนเห็นคนอื่นได้ดีจะทนอยู่ไม่ได้นะโดยธรรมชาติ เราสังเกตข่าวคลาดอ่ะข่าวคลาดที่ปรากฏและที่พูดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนขยใหญ่เคยโตดีเพื่อเรียกพระนะท่านเนี่ยนะเวลาสัมภาษณ์เหมือนกับเด็กๆหรือแสดงอารมณ์เด็กอารมณ์ริษยาอารมณนะ์กันแหนกันแหน่เปรียบเปร ย, ย, ย, ย, ยเยอะเย้อถากถางดูแล้วก็น้าหดหู่อ่ะเหมือนคนคนุณคุณภาพคนกันอันเนี้ยนั้นไม่หยิบสำนึกคุณธรรมอยู่ภายในใจมันมีริษยามันมีวิหิงสา เพราะไรเพราะรู้สึกไม่เป็นมิตรนะฮะรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองถูกแย่งใจคล้ายกับตําแหน่งนายกตระมัดทีรัฐมนตรีเนี่ยตําแหน่งรัฐบาลนางต้งพวกเราเท่านั้นเป็นนางคนดื่นแบ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเมตตามันจึงไม่เกิดคือถ้าแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วเมตตาไม่ก็ไม่เกิดแต่ถ้าว่าแบ่งมาพวกเดียวกันมันก็ไม่แปลกนะฮะคือว่ามันก็บ้ารรลุก็ต้องช่วยกันทํางานอ่ะ เราอยู่ตรงไหนเราก็ทํางานตรงนั้นให้ดีไม่ใช่ว่าฉันต้องใหญ่แต่นั้นจึงจะทําถ้าไม่ฉันฉันไม่ใหญ่ฉันไม่ทําแล้วใครจะมาใหญ่เหนือฉันไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะในมุติตาจึงจึงจึ ง, จ ง, จ ง, จงทําได้ยากเพราะเรารู้สึกไม่เป็นมิตรกันฮเราดูฝ่ายค้านพูดถึงรัฐบาลนะแล้วก็เหมือนกันทุกทุกทุกทุ ก, ทกฝ่ายค้านนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านก็ตามตอนรัฐบาลชวนเปนฝ่ายค้านฝ่ายค้าน เ, าเป็นรัฐบาล ค, คนก็พูดถึงในลักษณะอย่างนั้น เมื่อเราก็เห็นสภาพจิตว่าเออจิตเนี่ยเขาไม่มีเมตตาต่อกันมันเขาจะออกมาในแนวซ้ําเติมเช่นว่ารัฐบาลบริหารคนรัฐบาลสักคนหนึ่งเกิดมีปัญหาก็จะซ้ําเติมโดย ว, วิหิงสาคือเปียดเปี่ยนก็ไ ม, ไม่ไม่เกิดกรุณาพอถึงก็ดีเขาเด่นก็ดังขึ้นมามันก็แหนะแหนะคือริษยาทาใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ไไดเลยริษยาเลย งลงว่าแทนที่จะเป็นการเจริญกุศลเมื่อกลับเป็นเจริญอกุศลนั่นก็คือเรื่องของสังคมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอั ป, ปัญญาเนี่ยมันแผ่ไปอย่างนั้นคือจิตจะถึงความเป็นใหญ่เหนืออะไรนะฮเมตตาก็เหนือพยาบาทเหนือกรมราคะเหนือความรักเหนือความรักอาศัยเวือนกรุณาก็เหนือวิหิงสาเหนือโสกะมุทิตาก็เหนือ ริศยาเหนืออุณยะคือการต้องมีต้องการมีส่วนแบ่งอุเบกขาก็เหนืออาคาติเหนือความยินดียินร้ายกอเป็นใหญ่คือจับใดที่จิตมันอยู่ระดับนี้กิเลสเรานนหน้าไหนกิเลสประเภทต่างๆอย่างที่ว่ามันก็ถูกสยบไปก็ท้าเราเห็นว่าจิตเราสงบเย็นแล้วก็โปร่งเบาสลละสลวยมีความสบายพวกนี้ก็จะอยู่ได้นานนะฮะ จะอยู่ได้นานเพราะว่าไอจิตตานุภาพมันแข็งแข็งพอที่จะรักษาไอคุณธรรมตรงนี้เอาไว้แต่ว่ามันก็ต้องลุกขึ้นนะคนอ่ะมันต้องลุกขึ้นมันต้องกินข้าวมันต้องอาบน้ําเพราะฉะนั้นพอถึงจุดลุกขึ้นมันก็ไปแหละคือจิตมันจะกลับเข้าสู่ที่เดิมแต่ว่ามันไม่ถึงกับตกต่ํามากมายนะักเพราะว่า มันเกิดความชำนิชำนาญในการปฏิบัติอยู่แล้วทุกฟังทั้งหลายแต่ลงมาบทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญห้อ ง, งามไปบุญในธรรมจูมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี